ยาซีเรียสเรื่องหลวงพ่อครับผมหมดตัวแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปัญญาได้รับมิมนตให้ไปแสดงธรรม ที่อำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนั้นได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในหมู่บ้านอื่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่ท่านแสดงธรรมนั้นนะักดังนั้นเมื่อแสดงธรรมจบแล้วหลวงพ่อจึงได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติหลายคนนั่งร้องไห้ฟูมไฟ หลายคนนั่งมื์อย่างคนสิ้นหวังหลายคนตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกเนื่องจากคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องมากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวภายในพริบตาหลวงพ่อได้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจแก่คนเหล่านั้นให้เขาคลายความทุกโศกลงบ้างในจำนวนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง อายุราวๆหกสิบกว่าปีได้คลานเข้ามาซบหน้าลงแทบเท้าของท่านพลางคร่ำครวญว่าหลวงพ่อครับผมหมดตัวแล้วไฟมันเอาของผมไปหมดเลยหลวงพ่อก้มลงเอามือลูบหัวของเขาพลางพูดให้กำลังใจว่ายังไม่หมดหรอกโยมทุนเดิมของโยมยังเหลืออยู่ หมดแล้วจริงๆครับหลวงพ่อไม่มีเหลืออะไรอยู่อีกเลยไฟมันเอาไปหมดแล้วเขายัางคงคร่ำครวญอยู่เหมือนเดิมหลวงพ่อจึงพูดกับเขาว่านายลองยกมือขวาของโยมขึ้นสิเขาปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายแล้วมือซ้ายละ่ะท่านสั่งอีเขาก็ยกมือซ้ายขึ้น นั่นเห็นไหมว่าทุนเดิมของโยมยังเหลืออยู่มันยังไม่มดหลวงพ่อพูดคราวนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองท่านด้วยแววตาที่สับสนวันนี้แม่ไฟมันจะไหม้บ้านเรือนข้าวของของโยมไปหมดแล้วก่อจริงแต่สิ่งเหล่านี้โยมได้มันมา เพราะใช้ทุนเดิมของโยมสร้างมันขึ้นภายหลังทั้งสิน้นไม่ใช่สมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทุนเดิมที่มันติดตัวมาก็คือแขนสองสมองหนึ่งของโยมนี้เองและวันนี้มันก็ยังคงเหลืออยู่อย่างไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วจะพูดว่าหมดตัวแล้วได้อย่างไร เพียงแต่กําไรที่ได้มามันขาดไปเท่านั้นเองส่วนทุนนั้นยังเหลืออยู่เราสามารถหาเอาใหม่ได้อย่าไปคิดว่าเราหมดเนื้อหมดตัวแต่ต้องคิดว่าแค่มันเปลี่ยนไปให้เราหาสิ่งใหม่มาทดแทนเท่านั้นเองเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มาก่อน มาหาเอาทีหลังทั้งนั้นเมื่อมันหมดไปแล้วทำไมเราจะหาเอาใหม่ไม่ได้อย่าร้องไห้ให้กลุ่มใจไปเลยน้ำตามันไม่ได้ช่วยดับไฟที่กำลังไหมอยู่ให้หมดลงไปใดรอกเราต้องคิดเพื่อให้มีกำลังใจต่อสู้เขาว่าลุกขึ้นใหม่เผื่อวันพรุ่งนี้ ทรัพสมบัติในโลกนี้มันยังไม่หมดยังมีเหลือให้เราหาได้อีกเพียงแต่เราอย่าเพิ่งหมดกำลังใจที่จะหาไปก่อนเท่านั้นสรุปแล้วทุนเดิมของเราก็คือหนึ่งสมองสองมือและหนึ่งหัวใจของเรานี่เองที่เรามีข้าวของเงินทองต่างๆ ก็เป็นผลกำไรอันเกิดจากทุนเดิมของเราหามาทั้งสิ้นหากวันใดวันหนึ่งจะต้องสูญเสียกำไรเหล่านั้นไปบ้างก็อย่าให้ทุนเดิมของเรานี้ต้องสูญเสียไปด้วยมิฉะนั้นแล้วเราจะหมดเนื้อหมดตัวกันจริงๆ